บทที่หนึ่ง้ห้าสิบเจถามกลางการเฝ้าจับท่าทีและรอคำตอบจากฝ่ายนายจ้างทั้งหมดนั้นเจ้าคนใช้พิเศษของคณะก็พูดด้วยเสียงเรียบได้ระดับเป็นปกติเหมือนเดิมชนิดที่ยากจะค้นหาลับลมซ่อนเร้นใดๆให้ปรากฏออกไปได้ในายใหญ่ครับแงสายรู้ครับ แต่ไม่ก่อนหน้าที่พรานใหญ่จะส่งมอบลายแทงเอาไว้ก่อนที่เราจะแยกจากไปครับทุกคนยังงันอยู่เช่นนั้นหลายคนกำลังใคร่ครวนและคิดกรองหาคำถามแบบสอบสวนเพื่อจะต้อนไอ้คนกระล่อนร้อยเลขกลนให้ไปสู่มุมจนแต่ยังนึกไม่ออกที่จะป้อนคำถามยังไงจึงได้แต่มองหน้ากันเองและมอบหน้าที่ทั้งหมดให้แกเชิฐาผู้บัดนี้หัวคิ้วขมวดเข้าหากัน ข้อแรกเป็นอันว่าแกยอมรับว่าแกรู้เรื่องดงว้านพิบนี่แล้วนะใช่ไหมฝ่ายหนึ่งเหมือนผู้พิพากษาที่กำลังซักฟอกรูปคดีกลางศาลอีกฝ่ายหนึ่งอุ ป, ปมาดังจำเลยซึ่งแน่ละคงจะไม่เปิดโอกาสให้พยานหรือทนายโจย์ขุดบ่อล่อให้ถลําแม้แต่ก้าวเดียวทุกคนในที่นี้ล้วนรู้ดีอยู่แล้วทั้งสิ้นถึงไหวพริบอัญชานฉลาดของการเอาตัวรอดของแง่าย แต่ก็ประสงค์จะดูว่ามันจะออกในรูปใดมารียฮอฟมันลอบยิ้มอยู่คนเดียวอย่างสนุกหล่อนกำลังคิดอยู่ว่าคนเหล่านี้จะต้อนแง้ทรายไปสู่มุมอับได้หรืออย่างน้อยที่สุดเจ้าคนคนนี้ก็จะต้องหาทางออกได้อยู่วันยังค่ำแกรู้ในเรื่องอันตรายจากกลิ่นของดอกว่านพิษอยู่แล้วในละแวกที่จะเข้าถึงป่าหินและแกก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอ ว่ผู้กองระพินกำลังจะเดินเข้าค้นหาป่าหินนั่นครับใช่แงาสายก้มศรีรษะรับโดยสงบแงาสายรู้ครับว่าผู้กองหรือมิะนั้นพวกเราทั้งหมดกำลังจะเดินเข้าหาที่หมายในลายแทงเพื่อค้นช่องประตูผาก็ทําไมแกถึงไม่บอกเรื่องอันตรายนี้ให้แก่ผู้กองหรือตื่นให้เขาระวังไว้ล่ะแงาสายเบือนหน้าช้ า, ชา แปรสายตาไปยังระพิน ผ, ผู้ซึ่งมองอยู่ก่อนแล้วโดยไม่ส่อความรู้สึกชนิดใดทั้งสิ้นแล้วเอ่ยขึ้นเหมือนจะเป็นคำถามไปยังเขาโดยตรงว่าผู้กองเปเจ้าของลายแทงฉบับนี้รู้เห็นศึกษาครอบครองอยู่กับตัวเองมาเป็นเวลานานผู้กองไม่รู้หรอกรครับว่าลายแทงระบุถึงสิ่งแวดล้อมและมีคาเตือนให้ระวังยังไงบ้าง เมื่อจะเข้าใกล้บริเวณป่าหินตำแหน่งนี้จอมพรันนิ่ไม่โตอตอบอะไรทั้งสิ้นดูเหมือนเขาจะเห็นทางออกของแง่ทรายแล้วแล้วไม่ประสงค์จะเอาสิ่งนี้มาเป็นข้อฟาดฟันกันให้แตกหักไปข้างหนึง่งคิดว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนายจ้างเขาเองดีกว่าแง่ทรายดารินวราฤทธ์เ อ, อ่ยแทรกขึ้นโดยเร็วครั้งหนึ่งในการร่วมปรึกษาหารือของพวกเราทั้งหมด โดยมีเธอร่วมอยู่ด้วยเธอก็รู้ดีอยู่แล้วนี่ว่าผู้กองเขาอ่านลายแทงต้นฉบับเดิมไม่ออกได้อาศัยฉบับคำแปลที่บอกไว้เท่านั้นเรามารู้กันทั้งหมดว่าคำแปลนะ่ะยังไม่ละเอียดถี่ทั่วนักละเว้นไม่ได้แปลจากต้นฉบับเดิมในส่วนประกอบสำคัญแทบเป็นอันมากแลวผู้ที่รู้ว่าคำแปลนั้นไม่ละเอียดพอก็คือตัวเธอนั่นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันจะเป็นข้อแก้ตัวได้ยังไง ในกรณีที่เธอหันไปย้อนถามผู้กองทำราวกับว่าผู้กองน่าจะรู้ความในดีอยู่แล้วทั้งๆ ท, ที่เธอก็ควรจะรู้ว่าเขาจะไม่มีวันรู้ได้เลยถ้าฉบับคาแปลไม่ได้บอกไว้อุนขรักพิเศษของหล่อนยิ้มน้อยๆเต็มไปได้วยความคารวะนายหญิงครับข้อความจากต้นฉบับเดิมของลายแทงมีอยู่มากมายกล่าวถึงสิ่งแวดล้อมของภูมิประเทศ ทุกเป้าหมายที่ระบุส่วนต้นฉบับคําแปลที่ผู้ก้องอ่านออกก็มีอยู่มากมายเช่นเดียวกันแง่สายอ่านต้นฉบับคําแปลเดิมออกส่วนต้นฉบับแท้จริงอ่านไม่ออกดังนี้แล้วข้อเสนอดังนี้แล้วข้อความอันสลับซับซ้อนมากมายของทั้งสองต้นฉบับนี้แง่สายจะทราบได้ยังไงล่ะครับว่าข้อความใดบ้างที่ไม่ได้ระบุไว้ในต้นฉบับคําแปล อันหมายถึงว่าผู้กองจะไม่รู้ถ้าไม่ได้แปลไว้แง่สายจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อผู้กองได้นําขึ้นมาพิจารณาหารือกับแ ง, ง่สายเท่านั้นและเราต้องพิจารณาเฉพาะที่หมายแต่ละแห่งไปโดยวิธีซักซ้อมสอบความผู้กองอ่านฉบับคําแปลส่วนแง่สายจะอ่านฉบับเดิมแท้จริงเมื่อเอามาเทียบกันก็จะรู้ได้เองว่ามันถูกต้องตรงกันหรือไม่ สำหรับภูมิประเทศป่าหินบริเวณนี้ผู้กองไม่เคยนําขึ้นมาขอสอบความกับแง่ไยเลยนะครับแล้วแง่ไยจะทราบได้ยังไงละ่ะว่าผู้กองไม่รู้หรือว่าในต้นฉบับคําแปลไม่ได้แปลไว้ตรงกับฉบับเดิมเพื่อจะได้ตือนกันทันนั่นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งนั้นดังเช่นที่แง่ไยได้บอกไว้แต่แรกแง่ายรู้ก็เพราะอ่านจากลายแทงต้นฉบับที่ผู้กองมอบให้ให้การมอบนั้น ได้ส่งมอบให้อย่างกระทันหันก่อนที่ผู้กองจะแยกจากไปเพียงชั่วไม่กี่อึดใจแง่ซรายก็ไม่ได้มีเวลาที่จะเปิดออกอ่านหรือพิจารณาถึงเป้าหมายนั้นในทันทีตรงข้ามไม่ได้รับมาเจ้าหน้าทุกคนก็คงเห็นอยู่แล้วว่าแง่ทายได้ส่งมอบไว้ให้นายใหญ่เก็บรักษาไว้แต่นายใหญ่ก็สั่งให้แง่ทายเก็บไว้ตามเดิมแง่ทายก็เอาเก็บไว้ทันทีไม่ได้เปิดดูอีกเลยจะมาเปิดดูศึกษาเฉพาะที่อีกครั้ง ก็ต่อเมื่อนายใหญ่เริ่มออกตามผู้กองจึงได้รู้จักคำบันทึกนั้นถึงเรื่องดงว่านพิษที่ขึ้นอยู่ใกล้เคียงกระปาหินเมื่อรู้ความนี้แล้วแง่สายเองก็สะดุ้งใจอยู่ว่าผู้กองระพินจะรู้หรือไม่แต่ถึงยังไงก็ไม่มีโอกาสที่จะกล่าวเตือนหรือบอกความกันได้อีกแล้วเพราะผู้กองล่วงหน้าไปก่อนจึงคิดในแง่ดีไว้ว่าผู้กองจะต้องรู้ความลับที่ระบุไว้ในลายแทงนี้ด้วยเช่นกันจากต้นฉบับคาแปล และควรจะรู้ก่อนแงซายมานานแล้วด้วยในฐานะที่ยึดถือลายแทงไว้กับตัวมาตลอดด้ารินงงและรู้สึกอับจนต่อเหตุผลอันฉาิฉานของแงซายมาเรียก็ปลืยขึ้นมาปนหัวเราะเบาๆเป็นภาษาเยอรมันว่ารับรองได้ว่ารายการนี้นะ่าไม่มีวันต้อนจนหรอะไอเสือนี่มันไม่ได้ฉลาดน้อยไปกว่าพวกเราเลยชา ย, ยันยกมือขึ้นลูปคางเจิาเองก็ชักอัดอั่นปันใจ หันไปถามรับผินว่าผู้กองมีอะไรที่คุณจะถามดึกเค้นเอาความจริงจากมันก็เชิญเลยช่วยกันหลายหลายคนสำหรับผมจะเอาไว้ซักมันในตอนท้ายเองผมไม่ติดใจที่จะค า, าดคันอะไรแง่ซรายในเรื่องนี้ทั้งสิ้นแหละครับเขาขอตัวและความรู้สึกอันแท้จริงก็เป็นเช่นนั้นมันต่ำประโยชน์ที่จะไปซักทรายไล่เลียงในเมื่อก็รู้สันดานของแง่รายดีอยู่แล้ว ทางฝ่ายนายจ้างแสดงความกังขาข้องใจยังไงก็สอบสวนกันเองดีกว่าตอนที่ผู้กองจะหาทางเดินตัดเข้าหาเนินพระจันทร์เลยทีเดียวทําไมแกทักท้วงเขาได้ล่ะโดยบอกให้เขารู้ว่าถ้าไม่ผ่านหลุมอุกาบาต ท, ที่สามแล้วจะหาเส้นทางเข้าสู่เนินพระจันทร์ไม่ได้นั่นมันก็หมายความอยู่แล้วนี่ว่าแกสามารถอ่านเข้าใจลายแทงต้นฉบับโปร่ปรงอยู่ตลอดเวลารู้ความนัยยะที่ระบุไว้ทุกจุดหมายทีเดียว เชยันตั้งคำถามมาบ้างนายานครับโปรดฟังในสิ่งที่ผมจะพูดและใช้ความพิจารณาให้รอบครอบสักนิดนะครับแง่าสายพูดแช่มช้าหางเสียงแจ่มใสไม่มีแวววาดวันสะดุ้งสะเทือนต่อข้อซักฟอกที่รุมประดังมารอบด้านก่อนที่ผมจะได้ทวงผู้กองขึ้นเช่นนั้นก็อันเนื่องมาจากกรณีที่ผู้กองเรียกผมไปหารือ โดยบอกแนวความคิดให้ทราบว่าจะตัดทางเข้าสู่เนินพระจันโดยไม่สนใจที่จะคลําเข้าหาหลุมุกาบาแต่ละหลุมที่ลายแทงชี้บอกไว้เป็นลําดับอย่างความเห็นผมว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ในระหว่างที่เราหารือกันในประเด็นนี้ผู้กองได้เอาลายแทงต้นฉบับมากลางให้ผมดูอยู่ด้วยตามความคิดเดิมของผู้กองนั้นมีเหตุผลอยู่ว่าในเมื่อเรามีทิวเขาใหญ่ที่เข้าใจว่าเป็นทิวปีกครุฑนี้ เป็นหลักเกณฑ์ขวางกั้นขวางอยู่ข้างหน้าแล้วเช่นนี้การตั้งทิศตัดทางเข้าหาเน่นพระจันท์โดยไม่ต้องคลำไปแต่ละจุดหมายก็น่าจะกระทำได้เพราะคำถามหรือความเห็นของผู้กองในประเด็นนี้เองทำให้ผมต้องพิจารณาในแผนที่ลายแทงประกอบกับคำบันทึกอันเป็นภาษาพมา่าโบราณของเจ้าของดึงจึงได้พบกับข้อความที่ทาให้เอกใจว่าผู้กองจะเข้าใจได้ถูกต้อง ตรงกับที่ลายแทงเดิมระบุไว้หรือไม่เพราะคำว่าทิวปีกครุฑนั้นผู้ใดจะมองเห็นเป็นรูปสันฐานแท้จริงได้ก็จะต้องบรรลุถึงหลุมอุกาบาทที่สามนี่ซะก่อนดังเช่นเจ้านายทุกคนก็ทราบแล้วอย่างที่ผมบอกไวภายหลังจากที่ผมได้อ่านลายแทงนี้ออกไปแล้วผู้กองจึงยอมรับว่าฉบับคำแปลไม่ได้บอกไวเลยจึงทาให้ไม่ทราบสาเหตุ ที่ผมหันมาพิจารณาเอาใจใส่กับข้อความของลายแทงเฉพาะทิวปีครุตก็เพราะผู้กองเรียกเข้าไปหาหรือในจุดหมายนี้แต่เราไม่ได้พิจารณากันถี่ถ้วนถึงเป้าหมายช่องประตูผากันเลยในขณะนั้นผมไม่ทันได้ดูให้ชัดผู้กองเองก็ยังไม่ได้ถามแล้วผมจะทราบได้ยังไงล่ะครับผมเองไม่มีเวลาหรือโอกาสที่จะได้ศึกษาลายแทงต้นฉบับนั้นนานเลยผู้กองมีปัญหาอะไรแต่ละครั้ง จะเรียกผมเข้าไปร่วมดูอยู่ด้วยแต่ละคราวไปเท่านั้นพอเสร็จเรื่องก็พับเก็บมิจฉิตไว้คนเดียวและมีเหตุผลอันใดที่เงาทรยจะต้องรับผิดในกรณีที่ผู้กองอ่านลายแทงไม่ออกหรือเข้าใจลายแทงหรือเข้าใจลายแทงผิดจนก่อให้เกิดผลเสียใดๆขึ้นนะครับกล่าวจบประโยคนั้นเนาทรายก็หันมายิ้มกับระพินถามเบาๆว่าใช่ไหมครับผู้กอง พรานใหญ่หัวรอกกว้างๆเดินเข้ามาตบที่ไหลเบาๆพูดเป็นภาษากะเหรี่ยงเพื่อไม่ให้ฝ่ายนายจ้างเข้าใจเก่งมากแงซทา ย, ายฉันขอชมเชยการจับใจจริงนะเกิดมาแลวฉันไม่เคยเห็นใครหลักแหลมรอบคอบรัดกุมในทางหนีทีไล่อย่างแกมาก่อนเลยให้ตายเถอะและฉันก็ไม่ได้คิดที่จะจับผิดอะไรกะแกอีกทั้งสิน้นแต่ขอให้รู้ไว้ด้วยนะแกะเล่นเหลี่ยมกับฉัน ถึงยังไงฉันก็เอาตัวรอดได้เสมอแต่ถ้าฉันเล่นกะแกบ้างเมื่อไหร่แกจะไม่มีทางรอดเลยซึ่งตลอดเวลามาฉันก็ไม่เคยใช้วิธีอย่างนี้กะแกเลยสักครั้งและคนอย่างรพิน์ไทรวันก็ไม่ทําแกด้วยในรพินก็เดินพ่าจากที่นั่นออกมาซะอย่างไม่สนใจจะฟังอีกต่อไปดารินขยับจะเรียกไว้แต่เชษฐารู้ใจพรานนาทางของเขาดี บุกมือห้ามน้องสาวไว้ปล่อยเขาเถอน้อยเราสอบเจ้าคนใช้ตัวดีของเรานี่ต่อไปตามลาพังดีกว่าความจริงผู้กองเขาก็ห้ามพี่ไว้แล้วละ่ะไม่ถามอะไรแงาซายทั้งสิ้นในเรื่องนี้แต่พี่ดีมันอดไม่ได้พี่อยากจะถามอะไรอีกล่ะคะเราต้นเท่าไหรแงาซายก็ไม่ยอมจนมุมเลยดูมีเหตุผลที่จะเลี้ยวลดออกไปได้ทุกทางในกรณีนี้ น้อยเชื่ออย่างเด็ดขาดนะว่าไงทรายจะต้องรู้ดีอยู่ก่อนแล้วแต่แกล้งปิดเงียบไว้เพื่อให้ระพินไปเจอดีเขา้าแต่ก็เชื่อว่าไม่ถึงกับมีเจตนาร้ายจะแกล้งให้ไปได้รับอันตรายหรอกคงจะอย่างดูเชิงว่าพรานใหญ่ของเราเอาวิธีรอดได้ทางไหนเสมากกว่าดารินร้องออกมาอย่างไม่วายข้องใจมองดูคนใช้พิเศษของหลอนด้วยสายตาคุณคุณกึณ่งระอากึ่งมันไส้ และยิ่งขัดใจหนักเมื่อจับไม่มั่นคันไม่จนดูทีเหรอจจหนุม่มชาวป่าพเนจรผู้นี้ไม่น่าจะโต้ขารมสำแดงแง่เหตุผลเพื่อกันตัวเองให้พ้นผิดได้จักบุคคลชั้นปัญญาชนอย่างพวกหล่อนได้เลยส่วนมาเรียก็คงยิ้มอยู่ในใจตามเดิมนึกภาวนาเอาใจช่วยขอให้แง่ท า, ายแก้ตัวให้หลุดไปหมดทุกปล่าแห่งการสอบสวนของพวกหล่อน แมนสาวไม่ถือเป็นสาระสำคัญที่จะต้องี่้วเค้นอะไรกันออกมามากนักเพราะอย่างทราบในวิถีทางระหว่างระพินไพรวันกับแง่ทายดีอยู่แล้วสองเสือประลองเชิงกันเล่นลนมีอะไรที่จะต้องไปใส่ใจด้วยมากนะักตราบใดก็ตามที่ทั้งสองไม่ได้เจตนาร้ายถึงกับจะต้องเข็นฆ่าประหัดประหารกันเขาทั้งคู่ช่วยชีวิตซึ่งกันและกันมามากกว่าการหยอกเย้ากันบอกๆ อ, อย่างนี้นะัก คนใจหนักกว้างขวางอย่างมาเรียพิจารณาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสับพยกยอกเอินกันเล่นเท่านั้นนี่แงซ า, ายฉันไม่อยากจะถามอะไรแกอีกหลอกนะแต่ไหนไหนก็ได้ถามมาแล้วก็จะถามให้หมดเปลือกยังข้อที่ข้องใจอยู่ท่านหัวหน้าคณะพูดเนิบเนบสงวนอารมณ์ให้เป็นปกติได้เสมอต้นเสมอปลายแกคงจําได้นะ ตอนที่เราพบรอยผู้กองและแกะรอยตามไปเราพบผู้กองถลายลื่นลงไปล้มกลิ้งอยู่ที่แอ่งดินใต้เนินสูงลูกนั้นฉันถามแกว่าเกิดจากอะไรแกก็บอกว่าเขาลื่นเพระาะหญ้าเปียกน้ำค้างและทางชันใช่ไหมใช่ครับในายใหญ่แกโกหกฉันโดยเจตนาสิถ้างั้นน่ะนึกว่าแกรู้อยู่แล้วจากสภาพของร่องรอยนั้นว่าผู้กองจะต้องโดนกลิ่นว่านพิษคข้ ตัวแกเองจะต้องรู้ดีต่อไปอีกด้วยว่าผู้กองกลิ้งลงมานอนสลบเพราะถูกกลิ่นว่านอยู่เป็นเวลานานกว่าเขาจะรู้สึกตัวฟื้นและไตขอบแองขึ้นมาคลำทางต่อไปได้นายใหญ่ครับเงาทายไม่มีเจตนาจะโกหกหรอกครับแล้วเมื่อเห็นรอยผู้กองล้มกลิ้งลงไปนอนอยู่ในแองเงาทายก็เข้าใจว่าผู้กองคงจะเสียหลักอย่างที่บอกกับนายใหญ่ไปในขณะนั้นจริงๆครับ เพราะคิดว่าจะยังไงเสียผู้กองก็จะต้องรู้เรื่องกลิ่นอันตรายของวานพิษและหาทางหลบได้อยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าผู้กองจะไม่รู้เพราะฉะนั้นเงยสายจึงยืนยันกับนายใหญ่ในขณะนั้นว่าไม่มีอันตรายร้ายแรงใดๆเกิดขึ้นกับผู้กองและป่านนี้ผู้กองก็คงจะกลับไปถึงที่พักของเราแล้วเงสายแกไม่รู้หรอกเหร ผู้กองนอนหมดสติอยู่ในแองนั้นนะเป็นเวลานานไง่รายจะรู้ได้ยังไงล่ะครับมีแต่รอยกลิ้งลงไปในแองแล้วก็รอยที่ไตแองขึ้นมาในทางร่องรอยและจะมีหลักฐานชนิดใดพอให้นักแกะรอยไม่ว่าจะสามารถสักขั้นไหนรู้ว่าระยะที่ลงไปนอนนั้นนานเท่าใดแต่ที่เห็นชัดๆก็คือรอยลงและรอยขึ้นเมื่อตามรอยที่ขึ้นมาจากแองไป ก็เห็นเดินไปได้โดยอาการปกติดีไม่มีรอยเซปัดหรือรอยคลานอีกทั้งไม่มีสิ่งของเครื่องใช้ติดตัวหล่นเรี่ยราดอยู่ก็ย่อมจะสันนิษฐานได้ว่าไม่เกิดอะไรร้ายแรงขึ้นแต่บางทีแกอาจลืมหรือมิฉะนั้นก็นึกว่าฉันไม่รู้ผู้กองเขาเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วนะว่าเขากับแกได้พูดกันเช่นไรบ้างก่อนที่เขาจะพบกับฉันผู้กองพูดเช่นไรกับนายใหญ่ล้วครับ คำพูดของแกที่มีกะเขาไงยอมรับอยู่แล้วในกรณีที่รู้ว่าเขาลงไปนอนหมดสติอยู่ในแอ่งนั้นเป็นเวลานานนี่ก็สอให้เห็นชัดแล้วว่าแกรู้ในสาเหตุแท้จริงที่เกิดขึ้นสามารถคาดการได้ถูกต้องตรงจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้กองจากร่องรอยนั้นซึ่งแกปกปิดไม่ได้บอกให้ฉันรู้เลยในขณะนั้นเงาซายยังไม่ได้บอกกับผู้กองเลยแต่สักคําเดียวนะครับ ว่ารู้ว่าเขาโดนกลิ่นว่านพิษหมดสติไปถ้าผู้กองมาบอกนายใหญ่อย่างนั้นแงซายตอบให้ตรงประเด็นคําถามสิฉันไม่ได้พูดถึงเรื่องที่แกรู้ว่าเขาหมดสติเพราะว่านพิษนะแต่ฉันพูดถึงเรื่องที่แกยอมรับกับระพินว่าแกรู้ว่าเขาหมดสติอยู่ในหลุมนั้นนานพอสมควรแต่แกไม่ได้บอกให้ฉันรู้ในระหว่างที่เราไปพบรอยเขาตอนนั้น แง่ทรายไม่ได้มีเจตนาที่จะพูดเช่นนั้นครับบางทีอาจเป็นได้ที่ผู้กองใช้คําพูดหลอกล่องแง่ทรายเพื่อจะให้แง่ทรายแสดงความไม่สุจริตใจอะไรออกมาบางอย่างอันเป็นผลมาจากคอยจับผิดแง่ทรายไม่รู้ตัวเลยสิ่งที่เจ้านายทั้งหลายจะตัดสินได้ไม่มีอะไรซับซ้อนยากนักโดยแบ่งเป็นสองกรณีเท่านั้นครับถ้าคณะเจ้านายเชื่อว่าแง่ทรายประสงค์ร้าย คิดจะปล่อยผู้กองไปได้รับภัยก็จงเชื่อได้ว่าเงาทายมีเจตนาไม่สุจริตปิดบังเรื่องนี้ไว้แต่ถ้าไม่คิดว่าเงาทายจะประสงค์ร้ายกับผู้กองก็ขอให้เชื่อที่เงาทายพูดนี่เชษฐานนิ่งไปครู่ทุกคนก็พลอยเงียบงันไปในที่สุดเขาหันไปมองพักพ่วงทุกคนมีความเห็นยังไงคนฉลาด รู้จักวิธีพูดดารินเอ่ยขึ้นเสียงต่ำแสดงอาการจำเนินอยู่ในทีกระถูกแล้ะสิพวกเราทั้งหลายย่อมไม่คิดไกลจนถึงก็ว่าแง่ทายจะคิดร้ายกับระพินและการที่ไม่คิดเช่นนี้แหละถูกบังคับในทีแล้วที่จะต้องให้เชื่อตัวคู่กรณีซึ่งทันเหลี่ยมทันคูกันมาตลอดเวลาแล้วยังยอมแพ้ไม่ยอมพูดอะไรอีก ราก็เห็นว่าต้องยุติเรื่องนี้ว่าแค่นี้แหละครับพี่ใหญ่เมพูดถูกแล้วเรานะ่ยตอนแง้ทรายไม่มีวันจนมันมีความจริงอยู่อย่างนึงมาเรียฮอฟมันซึ่งนั่งฟังเงียบๆมานานโผล่ขึ้นมาลอยๆเราทั้งหมดทําไมถึงได้รุมกันซักฟอกแง้ทรายเพื่อจะเอาผิดกับเขาให้ได้ถึงเพียงนี้ฉันคิดว่าเราพูดไว้ฉันคิดว่าเขาพูดไว้ประโยคหนึ่ง ถูกต้องที่สุดแล้วคือมีเหตุผลอันใดที่แงซายจะต้องรับผิดในกรณีที่ไพยวันอ่านลายแทงไม่ออกหรือเข้าใจลายแพงหรือเข้าใจลายแทงผิดก่อให้เกิดผลเสียใดๆขึ้นมันไม่ยุติธรรมเลยอืมถูกต้องเป็นนั้นว่าเราเกมเรื่องนี้แล้วกันชัยยันสรุปเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคาถามเดียวเชษ ฐ, ฐาสอดมาโดยเร็ว นก้ายเป็นนั้นว่าหมดเรื่องระหว่างแกกับระพินแล้วทีนี้ก็เหลือแต่แกกับฉันเท่านั้นที่ยังไม่กระจ่างนะักแกกับฉันเดินเข้าไปในรัศมีอันตรายจากว่านพิษด้วยกันแต่ก็ไม่ได้พูดเตือนให้ฉันรู้ตัวเลยจนกระทั่งความจริงทั้งหลายแหลมาเปิดเผยเดี๋ยวนี้จอมพเนจรแลประสานตาท่านหัวหน้าคณะอย่างเปิดเผยนายใหญ่ครับ เงยสายรับผิดชอบต่อความปลอดภัยทุกประการของนายใหญ่นับตั้งแต่วินาทีแรกที่เราแยกออกจากคณะทั้งหมดบางคณะบางสถานการณ์แม้ว่าอันตรายจะอยู่ใกล้ชิดตัวเรามากที่สุดเงาสายรู้แต่นายใหญ่ยังไม่รู้นั่นไม่ใช่ความจำเป็นใดๆเลยที่เงยสายจะต้องบอกเตือนนายใหญ่ตราบใดก็ตามที่เงยสายสามารถจะนานายใหญ่หลีกพ้นอันตรายนั้นไปได้ ในกรณีที่แงสายพิจารณาเห็นแล้วว่าการไม่บอกจะช่วยในายใหญ่มีขวัญและกำลังใจดีอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าจะถือว่าข้อนี้เป็นความผิดครับแงสายก็ยอมรับผิดความจริงภายหลังจากที่เราไปถึงช่องประตูผาแล้วและพี่มีคำสั่งให้แงสายนำต่อมาที่นี่แงสายได้ทักทวงพี่ไว้แล้วเหมือนกันนะโดยบอกว่าพี่ยอมกลับไปพบพวกเราทั้งหมด ตรงที่พักผ่อนแต่พี่เองอ่ะดันทุรังถ้าพี่เชื่อตามคำแงซทายก็คงไม่ถึงก็ต้องสอบสวนกันขนาดนี้หรอกอดีตท่านทูตทหารบกพูดกับน้องสาวเอาละค่ะน้อยตัดสินได้เองพี่ใหญ่ใจร้อนบุกเดี่ยวล่วงหน้ามาก่อนแงซทายก็ตกอยู่ในข่ายสงสัยว่ารู้แล้วแกล้งนิ่งตามสัญดานเก่าๆระพินนั้นพลาดเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการ หาทางปลีกแยกกับเราออกไปโดยไม่บอกให้รู้ล่วงหน้าทั้งสามคนมีส่วนผิดเท่าเท่ากันทั้งนั้นน่ะอย่าโทษกันเองเลยอ่ะแง่ซรายเธอเขไปพักผ่อนได้แล้วและไม่ต้องคิดอะไรอีกเป็นว่ายุติเลิกราต่อการแค่นี้แล้วกันภายหลังจากกินอาหารเสร็จทุกคนก็นอนพักและต่างม้อยหลับกันไปอย่างรวดเร็วจากความตรากตรำอดหลับอดนอนกันมาตลอดทั้งคืนกับอีกวันเต็มเต็ง ขณะนั้นนับเป็นเวลาประมาณบ่ายสองโมงเ็จเศษฟ้ามีพยับฝนทุกทิศจนมองไม่เห็นเงาตะวันเมฆดำจับข้าวมาแต่แรกเริ่มลอยตำ่ำลงทุกขณะแต่ไม่มีใครมีจิตใจจะห่วงพวงถึงท่ามกลางความหยยหยละเฮียจนลืมตาไม่ขึ้นนี้แม้แต่พวกพรานพื้นเมืองที่จักว่าทรหดอดทนที่สุดก็ลงนอนกันอย่างสลบสลายนพิไพรวันกาลังจะหลับอยู่เช่นกัน ถ้าไม่ใช่เพราะมีเงาของใครคนหนึ่งเข้ามาซุดตัวลงนั่งใกล้ๆเขาและจากม่านตาที่รีและเห็นจากม่านตาที่รีจวนปิดถ้าฝนตกเราจะลําบากนะครับเสียงบอกมาแผ่วเบาพรานใหญ่ดึงกายขึ้นนั่งมองท้องฟ้าอันหนักอึง้งและเหลียวไปรอบๆตัวซึ่งผงละอองและใบไม้กำลังถูกลมพัดปลิวว่อนไปหมด พักพวกทั้งหมดสลับหลับไหลกันอยู่ระเกะระ ก, กะไม่เป็นระเบียบเว้นแต่เจ้าคนที่กําลังพูดอยู่กับเขาในขณะ น, นี้ซึ่งตายังใสาราวกับว่าเลือดเนื้อและวิญญาณของมันถูกล่อหลอมขึ้นด้วยเหล็กไหลนี่จะทํายังไงกันล่ะเนี่ยพวกเราก็หลับันไปหมดแล้วคงไม่มีแรงเคลื่อนย้ายไปหาที่หลบที่ไหนได้อีกหรอกเสียงฟ้าคำรนสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดพร้อมทั้งแลบอยู่แปลกปรับ ลมเริ่มทวีความแรงขึ้นทุกขณะ ก, กดสุดแล้วแต่ผู้กองจะตัดสินใจนะครับจะรอให้สายฝนและความหนาวเย็นปลูกพวกเราขึ้นมาเองหรือว่าจะปลูกพวกเขาเสักเดี๋ยวนี้เพื่อหาแหล่งปลอดภัยซะก่อนมันอยู่ไม่ไกลจากนี่เป็นนักแล้วครับห่างอย่างมากก็ไม่เกินร้อยเมตรครับที่ไหนดําเป็นอะไรชง้งอนหินใหญ่ครับ ต่ำกว่าขอบปากหลุมุกาบาทลงไปเล็กน้อยผมสำรวจไว้ก่อนแล้วมีทางลาดลงไปจากขอบหลุมแล้ววกเข้าไปสู่บริเวณใต้ชะง่อนเนื้อที่กว้างใหญ่ครับอาศัยหลบพายุและฝนได้ดีที่สุดระพินผุดลุกขึ้นในทันทีนั้นอะนั้นกาปลูกพวกพาณธุพื้นเมืองเดี๋ยวนี้ฉันจะไปปลูกเจ้านายเองเดี๋ยวครับผู้กองอีกฝ่ายหนึ่งจับข้อมือเขาไว้ ผมอยากจะพูดอะไรกับผู้กองบางอย่างผู้กองจะเชื่อหรือไม่ก็สุดแล้วแต่นะครับว่าไปแต่ยายช้านักนะฝนกําลังจะเทแน่ถ้าโดนฝนตอนนี้เราจะแย่กันทั้งหมดขอบใจมากที่ขามาตืน่นเงาซายจ้องเขาอย่างลึกซึง้งยังกุมมือพรานใหญ่ไว้เช่นนั้นผู้กองครับถานจริงเิอครับผู้กองไม่รู้เรื่องว่านพิษนั่นมาก่อนเหรอครับ เลือกพูดเรื่องนี้กันได้แล้วเงาทรายโปรดฟังผมสักนิดนะครับผู้กองสังเกตไว้ด้วยเถอะครับว่าเงาทรายไม่เคยที่จะต้องมาพูดขอพูดอะไรกับผู้กองอย่างนี้มาก่อนเลยระพินกระตุกหัวคิ้วแล้วก็เลเห็นแววจริงใจจากสีหน้าของตลอดจนแววตาผิดไปกว่าทุกครั้งเงาทราย ฉันไม่เข้าใจนะว่าแกจะต้องเอาเรื่องนี้มาพูดทำไมผู้กองครับผู้กองและทุกคนของฝ่ายเจ้านายคิดว่าผมลองเชิงแกล้งปล่อยผู้กองเดินเข้าไปพบกลิ่นดอกว่านโดยเจตนาปิดงงำไว้ไม่บอกให้รู้ฉันไม่ถือสาแกหรอกไงทายเด็กเจ้านายของเราทุกคนก็คงไม่ถือด้วยล่ะไอ้นิสัยของแกนะ่ะมาลึกลับดูไม่ออกอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว แต่ความดีส่วนอื่นๆของแกก็มีอยู่มากจนเกินกว่าที่เราจะมาคำหนึ่งถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่เอาไปเพราะมันเป็นความเสื่อซ่าของฉันเองฉันไม่โทษแกหรอกใบหน้าคมสันดวงนั้นสันไปมาแช่มช้าบัดนี้ดูอ่อนโยนอย่างประหลาดผู้กองครับผมจะไม่อ้างถึงสัต์จกรหรือคำสาบานใดๆทั้งสิ้น แต่จะขอบอกกับผู้กองครับว่าผมไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นแม้แต่นิดเดียวที่ไม่ได้เตือนให้ผู้กองรู้ล่วงหน้าก็เพราะนึกไม่ถึงว่าผู้กองจะไม่ทราบอันหมายถึงว่าคำแปลไม่ได้ระบุไว้ผมโกหกเจ้านายทุกคนว่าผมเพิ่งจะมารู้เอาภายหลังแต่ความจริงผมรู้มาก่อนนานแล้วเพียงแต่นึกไปไม่ถึงว่าผู้กองจะไม่รู้เท่านั้นแล้วอีกอย่างหนึง่ง ผู้กองก็แยกทางจากไปกระทันหันเหลือเกินทำให้ผมลืมได้อย่างสนิท ต, ตอนที่ผมไปพบรอยของผู้กองกลิ้งลงศพในแอ่งดินนั่นก็นึกรู้แล้วล่ะครับว่าผู้กองคงข้าวผิดทางลมแต่ก็ยังดีใจที่เห็นผู้กองไม่เป็นไรฟื้นลุกขึ้นมาได้ผมจึงพยายามจะหาทางชวนให้ยายใหญให่กลับที่พักสะก่อนแต่ในายใหญ่ก็สั่งให้ผมนำล่วงหน้ามาก่อนผมจะบอกอะไรในายใหญ่มากกว่านั้นก็ไม่ได้ พระผู้กองก็รู้ดีอยู่แล้วว่าถ้าผมบอกความจริงไปนายใหญ่ก็จะถามผมอีกมากมายหลายสิ่งคราวนี้จอมพรานมองดูแง่ทรายอย่างแปลกใจแง่ทรายความจริงแกก็แก้ข้อหาได้ตกไปหมดทุกเปราะแล้วไม่ใช่เหรอไม่มีใครความผิดกับแกะได้เลยสักคนเดียวแล้วนี่กระดันมาสารภาพกับชั้นทำไมความจริงมันก็ไม่จาเป็ น, นครับ เงยสายกล่าวอย่างร้อนใจมีอาการกระวนกระวายให้เห็นชัดแต่ผมต้องการบอกให้ผู้กองทราบถึงความจริงใจดวงว่านพิษน่าอันตรายมากครับมันอันตรายถึงชีวิตทีเดียวแม้ผมจะเคยล้อเล่นกับผู้กองมาก่อนอยังไงผมก็ไม่จะไม่ยอมปล่อยผู้กองต้องเข้าไปเสี่ยงถึงเพียงนั้นหรอกครับแต่นี่มันเป็นเพราะผมเชื่อว่าผู้กองรู้ดีอยู่แล้ว ประกอบกับระยะเวลาแยกกันมันก็กระทันหันอย่างที่บอกไว้แล้วด้วยผู้กองครับชีวิตผู้กองมีค่าสําหรับผมอันตรายใดๆก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นกับผู้กองผมจะต้องป้องกันไว้ทุกวิถีทางเพราะฉะนั้นผมเสียใจมากครับที่ปล่อยผู้กองไปพบกับอันตรายจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะความเข้าใจผิดผมขอโทษอีกครั้งครับ ระพินยิ้มให้อย่างจริงใจเช่นกันกระชับฝ่ามือแงซายบีบแน่นฉันเข้าใจแกแงซายแล้วก็เชื่อในสิ่งที่แกพูดนี่ด้วยความเสียใจของแกในครั้งนี้ก็อาจเหมือนกับความเสียใจของฉันในครั้งที่ปล่อยให้แกไ ป, ไปเผชิญหน้ากับไอ้ตัวสามเขาตามลําพังในครั้งนั้นจนแกเกิดตายไปเหมือนกันนั่นแหละจริงสินะฉันรู้ดีมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว ว่าแกหวังพึ่งฉันอยู่ตลอดเวลาในวัตถุประสงค์ลึกลับที่ฉันก็ยังไม่สามารถจะรู้ได้และแกจะปล่อยฉันได้รับอันตรายซะก่อนทำไมกันว่าแต่ที่แกเอาความจริงทั้งหลายมาบอกกับฉันนี่นะไม่กลัวฉันจะเอาไปบอกเจ้านายเหรอู้กองเป็นคนฉลาดและผมก็รู้จักผู้กองมาแต่ไหนแต่ไรแล้วผมอาจลึกลับในสายตาของคนอื่น แต่จะไม่มีวันลึกลับเกินไปกว่าสติปัญญาและความรอบรู้เท่าทันของผู้กองหรอกครับก็ไม่แน่นักนะบางทีผู้กองของแกก็บ้องตืนได้เหมือนกันในโลกนี้คงไม่มีใครทำให้ฉันปวดกะโหลกได้เท่าแกหรอกเจ้าแง่สายไปเถอะรีบปลุกพวกเราขึ้นพายุมันแรงขึ้นทุกทีแล้วก่อนจะแยกกันแง่สายฉุดมือเขาไว้อีกครั้งส่งแผนที่ลายแทงคืนให้ ระพินเหลือบตามองหน้าแล้วหัวเราะในลำคอบอกมาอย่างชนิดที่ตัวเขาเองก็ไม่เคยคิดที่จะพูดเช่นนั้นมาก่อนว่าฉันขอมอบหน้าที่ในการเก็บรักษาลายแทงฉบับนี้ไว้ที่แกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะได้ตัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าต่อไปสักทีว่าแกรู้แล้วว่าฉันไม่รู้โทษสั์กันอยู่นี่เองเวลาฉันต้องการดูเมื่อไรฉันจะเรียกมาดู แกก็มีหน้าที่อธิบายฉันรู้แล้วถ้าเกิดการผิดพลาดขึ้นอีกเมื่อไหร่แล้วก็ฉันกระทืบแกตกลงไหมแงสายตะลึงมองดูพรานใหญ่เหมือนจะไม่เชื่อหูผู้กองฮึไม่มีข้อแม้อะไรทั้งสิน้นนี่คือคำสั่งเป็นครั้งแรกที่ระพินไพรวันแลเห็นหยาดน้ำใสคลออยู่ในกรอบตาลึกคู่นั้น เสียงที่ผ่านลําคอออกมาอย่างแผ่วเบานั้นสั่นเครือผู้กองครับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แง่ท า, ายได้รับความไว้วางใจอย่างสนิทจากผู้กองรพินไพรวันนี่คือยอดแห่งความปรารถนาขั้นแรกที่แง่ท า, ายได้เพียปรปฏิบัติมาเพื่อขอที่จะได้ในสิ่งนี้พระผู้เป็นเจ้าประทานรางแห่งโชคชัยให้แงา่ายแล้วครับ พร้อมกับเสียงพึมพำนั้นแง่าสายก้มศีสะโค้งต่ำลงด้วยอาการคารวะแต่ฝ่ามือทั้งสองลงไปที่แทบเท้าของจอมพรานทั้งสองแยกกันไปปลุกคณะทั้งหมดอย่างรีบด่วนอันเป็นเวลาเดียวกับที่ฝนละอองแรกเริ่มจะโปรยลงมาพร้อมทั้งพายุครอบฟ้าเหนือศีสษะมืดทมึนลงอย่างรวดเร็วจนแทบตั้งตัวไม่ติด แสงฟ้าแลบสว่างวาวกำปนาตคำรนอยู่กึกก้องเหมือนมีใครเลื่อนขุนเขาอยู่เบื้องบนคนเหล่านั้นแม้จะอยู่ในสภาพงวงเงียสักเพียงใดก็ตามพอลืมตารู้สึกกายขึ้นมาพบกับเม็ดอันเย็นเฉียบของฝนและสายลมที่พัดผ่านร่างกายราวกับกระแสลมกรดก็ตระหนักถึงสถานการณ์ที่เผชิญหน้าอยู่โดยไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะักมีที่หลบฝนอยู่ไม่ไกลนะักรีบหน่อยครับ ข้านใหญ่บอกกับคณะนายจ้างของเขาที่ตลีตลือกเพ่นกันขึ้นมาอย่างชุลมุนแงซ า, ายนำกลุ่มพรานพื้นเมืองล่วงหน้าลิวไปก่อนแล้วพวกนั้นแบกของกันไปในลักษณะครึ่งวิ่งครึ่งเดินโดยไม่มีใครมัวเงืก ง, งะเสียเวลาล่าช้าอยู่เหตุการณ์และความเคยชินมันสอนคนเหล่านี้ซ้จนเกิดความคล่องตัวต่อทุกสภาวะฉุกเฉินดีที่สุดแล้วคณะนายจ้างพอรวมตัวกันติดก็วิ่งตามไป ท่ามกลางพายุฝนที่ทวีความรุนแรงนาเม็ดขึ้นทุกขณะลักษณะของที่หมายตรงตามที่แง่สายได้บอกพรานใหญ่ไว้ทุกประการโดยเส้นทางด่านหรือทางไหลของสายน้ำอันทอดไปสู่ปากหลุมยักษ์ว่างใหญ่นั้นชั่วไม่นานทั้งหมดก็บรรลุขึ้นขอบปากหลุมที่ทอดต่ำลงไปความลึกของหลุมอันเกิดจากสะเก็ดดาวตกโดยการเวลาที่ไม่สามารถนับย้อนหลังไปได้ว่านานเท่าใดแล้ว แล้วเวิ้งลิบลี่วลงไปราวกับยืนอยู่บนชะงอนหน้าผาสูงบัดนี้พายุฝนที่ปกคลุมอยู่ทั่วไปทำให้ไม่อาจมองลงไปเห็นสภาพก้นหลุมได้นอกจากขอบหลุมบริเวณใกล้เคียงที่เป็นแง่ชะงอนบางส่วนยื่นโพ ล, ล้ำออกไปและบางส่วนก็ว้าเวิครุกคลลักษณะเดียวกับที่ทุกคนส่องกล้องเห็นมาก่อนแล้วระหว่างที่ยืนอยู่บนยอดเนินสูงขณะที่มาถึงครั้งแรก มีทางราบเอียงประมาณ30องศาจากระดับปากหลุมทอดยาวลงไปและวกเลี้ยวเข้าไปสู่ผนังของปากขอบซึ่งชอน ล, ลึกเข้าไปลักษณะเกือบเหมือนถ้ำมีอนาบริเวณกว้างใหญ่ราวกับห้องประชุมซึ่งถ้ายืนอยู่บนปากขอบหลุมเบื้องบนก็แทบจะค้นหาร่องรอยไม่ได้ว่าเบื้องต่ำลงไปจะมีโพรงอยู่ใต้ไม่ต่าลงไปมากนะขณะที่ทุกคนไต่ทางเลี้ยวลดกันลงมา โดยการนำของแง่ทรายฝนภายนอกเบื้องบนก็ซัดหนักฟ้าผ่าเปรี่ยงปรางอยู่ตลอดเวลายอย่างน่ากลัวอากาศมืดมิดไปหมดสังเกตเห็นไม่ถนัดนอกจากจะใช้ไฟฉายทั้งหมดถอนใจเฮือกมาอย่างโล่งอกเมื่อเข้ามาถึงบริเวณส่วนลึกพอสมควรซึ่งเป็นที่พักหลบกำบังฝนได้อย่างดีที่สุดเรากหลบเข้ามาอยู่ใต้อาคารอันแข็งแรงมั่นคงนั้นเหนือศีษะขึ้นไป คือเพดานดินปนหินที่ธรรมชาติเสริมสร้างไว้มีส่วนหนาขึ้นไปจนถึงผิวพื้นตาขอบหลุมเบื้องบนไม่ต่ำกว่า30เมตรพอจะเชื่อได้ว่ามันจะไม่ถล่มพังทับลงมาในสภาพของธรรมชาติปกติเว้นไว้แต่เกิดแผ่นดินไหวต่างทิ้งกายลงอีกครั้งหนึ่งอย่างเหนื่อยอ่อนไปยปอนไปตามๆกันแต่ก็ไม่ถึงกับโชคบริเวณที่เข้ามานั่งพักรวมกลุ่มกันอยู่นี้ ห่างจากบากทางเข้ามาพอที่ละองฝนไม่สามารถจะปลิวเข้ามาถึงคงได้ยินแต่เสียงพายุและฟ้าคำรามกรี๊ดกราดอยู่เบื้องนอกเท่านั้นแยก่กันพระเจ้าเนอพระเจ้าช่างทารุณี่จริงๆชายันเป่าลมออกจากปากครองขึ้นยังโชคดีนะที่หาที่หลบได้ซะก่อนที่จะสายเกินไปผู้กองแล้วนี่คุณรู้ได้ยังไง ว่าตรงปากหลุมนี่พอจะมีที่พักหลบฝนได้เชตหาถามเอาผ้าขนหนูซับน้ำออกจากใบหน้าและลำคอในขณะที่ดารินและมาเรียต่างพาตันบนพึมสลัดน้ำฝนออกจากกายแงใสยสำรวจไว้ก่อนนะครับความจริงมันก็ไม่ห่างจากที่เราวางแคมป์ครั้งแรกเท่าไหร่นักหรอกครับมันเป็นอะไรนี่คล้ายๆถ้ำนะพร้อมกับพูด ช้ยันฉายไฟสูงไปสำรวจเหนือสีสันซึ่งเห็นชั้นของดินและหินกรุกอยู่เบื้องบนห่างขึ้นไปประมาณเจ็ดแปดเมตรมันไม่ใช่ถ้ำหรอกครับแต่เป็นโพรงบริเวณริมขุ่ริมขอบหลุมชอนลึกเข้ามาในแผ่นดินของขอบปากหลุ ม, มดีจริงแต่หวังว่าฝนแรงๆจะไม่เซาะดินถล่มลงมาฝังพวกเราทั้งเป็นอยู่ตรงนี้นะข้างนอกฝนมันตกแล้วก็ฟ้าแตกไนะ ยอมพันไม่ตอบคำอันพูดอย่างปราศจากความหมายของชัยยันสายตาเหลือบสำรวจตามลำไฟฉายของอดีตนายทหารปืนใหญ่ที่ส่องกราดไปรอบๆทุกด้านสิงเขตฐาบอกมาว่าเสียดายเนื้อกวางตัวนั้นกินกันได้เพียงมือเดียวเท่านั้นฝนก็นมาเทหนักขนกันมาไม่ทันมีหวังหนาวหมดเราเห็นจะต้องยึดที่นี่เป็นที่พักในระยะนานเชแล้วละมะั้งผู้กอง ยังไม่ทราบว่าฝนจะตกไปนานสักเท่าไรและถึงแม้จะหยุดพื้นข้างบนก็คงจะเปียกชุ่มไปหมดในโพรงขอบหลุมนี่เป็นแหล่งปลอดภัยสบายที่สุดแล้วโดยจะยึดเป็นที่พักถาวรจนกว่าจะมีการเคลื่อนย้ายเดินทางต่อพรุ่งนี้โชคดีมากล่ะที่เรามาพบมาถึงหลุมอุกาบาดหลุมนี้และพอจะหาที่พักหลบฝนได้นี่ถ้าอยู่กลางที่โลง่งเหมือนอย่างที่ผ่านกันมาแล้วโดยตลอดจะ แ, แย่ที่สุดเงทายรอบขอบดีมาก ที่สำรวจหาทางหนีที่ไล่ไว้ก่อนไม่งั้นเลยยุ่งทีเดียวเอาล่ะครับทีนี้เราก็นอนกันได้แล้วละ่ะดารินค้นห่อสัมภาระส่วนตัวของหล่อนออกโดยใช้ไฟฉายประจําตัวส่องและบอกกับทุกคนว่าอ่ะถ้าใครเปียกฝนก็ควรจะเปลี่ยนเสื้อผ้าซะนะอย่าแช่อยู่ทั้งๆ้ ท, งที่เปียกอย่างนั้นละ่ะประเดี๋ยก็จะเดือดร้อนอีกเปลี่ยนซะก่อนจะค่อยนอน โดยคำแนะนำของแพทย์ประจําคณะซึ่งมีภาระรับผิดชอบยุ่กับสุขภาพของทุกคนหลังจากการเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดที่เปียกชื้นออกหาชุดที่แห้งสนิทจากชุดสำรองมาสวมใส่แทนดารินกมาเรียชวนกันเดินเข้าไปในซอกที่ลึกเข้าไปอีกและจัด ก, การผลักเปลี่ยนที่นั่นโดยอาศัยความมืดเป็นฉากอำพรางตาความอิดโรยทําให้ไม่มีใครสนใจกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือพูดจาคําใดกันอีกมากนะักพอตั้งหลัก หาที่พักพิงได้โดยเชื่อว่าปลอดภัยจากฝนฟ้าแล้วก็ซุกตัวเข้าไปใต้ผ้าหม่มนอนหลับไปในทันทีเวลาผ่านไปนานสักเท่าใดไม่ทราบได้ขณะนายจ้างรู้สึกตัวขึ้นอีกครั้งเพราะได้กลิ่นควันไฟเมื่อะงกตายขึ้นดูเห็นกลุ่มพรานพื้นเมืองกำลังนั่งล้อมวงเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มช่วยกันผาไม้สดท่อนเล็กเป็นชิ้นฟืนละเอียด ก่อสุ้มกะกะข้าขอนไม้กเก่าขนาดเขื่องท่อนหนึ่งซึ่งมีไฟกินลามเป็นวงแดงอยู่ขณะนั้นฝนเบื้องนอกหยุดลงแล้วไ้ยินแต่เสียงน้ำไหลจากบริเวณพื้นที่สูงลงมาสู่ร่องต่ำผ่านแง่หินอยู่ริกๆิกอากาศรอบตัวมีทั้งความเย็นและความชื้นสูงเมื่อเชาสอบถามก็ได้ความว่าฝนได้ซาขาดเม็ดไปชั่วโมงเศษแล้วขยินกะแง่า ย, ายออกไป พยายามหาฟืนมาเพื่อสุ่มไฟได้ขอนไม้เก่าๆมาทอดหนึ่งที่แห้งสนิทเพียงแต่เปียกน้ําฝนตรงบริเวณผิวเบื้องนอกซึ่งมีอยู่ตามขอบปากหลุมนำออามาถากเอาเปลือกที่เปียกน้ําออกก่อไฟเป็นเชื้อขึ้นส่วนสร้างป่ากระสือก็ไปเลือกตัดไม้สดบางชนิดที่มีน้ํามันอยู่ในตัวเองเป็นเชือเ้อเพลิงติดไฟได้ง่ายมาช่วยกันทําฟืนและโดยความชํานาญของเจ้าพวกลูกป่าเหล่านี้ ชั่วไม่นานนักไฟก็ติดขึ้นเป็นกองพอที่จะอาศัยหุงต้มและผิงได้ทั้งๆ ท, ที่ฝนตกหนักเพิ่งจะหยุดไปไม่นานนักและอาณาบริเวณรอบด้านก็เปียกชื้นไปหมดท่านหัวหน้าคณะดูนาฬิกามันเป็นเวลายี่สนาฬิกาสิบสี่ล่วงราตรีเข้ามาแล้วมันหมายถึงว่าต่างหลับไหลเป็นตายกันไปในระยะรวดเดียวติดต่อไม่น้อยกว่าห้าชั่วโมงดูพักพวกทุกคน เห็นระพินกับแง่ทรายไม่ได้อยู่ในจำนวนนั้นด้วยพออาปากจะถามความต่อไปก็พอดีทั้งสองปรากฎกายเป็นเงาตะคุ่มเข้ามาจากปากทางอ๋อตื่นกันแล้วหรอครับพ่านใหญ่ร้องทักยิ้มยิ้มขณะที่ตรงเข้ามาสมทกเพิ่งตื่นเดี๋ยวนี้เองไปไหนกันมาแลนั่นออกไปตรงปากทางนี่เองครับผมตื่นก่อนพวกคุณชายสักพักใหญ่ใหญ่ เห็นฝนหยุดก็เลยชวนพวกนี้ออกไปหาฟืนแล้วก็ตรวจดูรอบบริเวณใกล้ๆหลุมุกาบาทที่เราพักอยู่นี่เป็นบอ่อที่ระบายน้ำจากที่ราบสูงรอบด้านเวลาฝนตกสายน้ำไหลลงมาที่หลุมนี่ทุกด้านก้นหลุมคงมีน้ำขังอยู่มากกว่าจัดเป็นที่อุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึง่งของที่ราบสูงแถบนี้ะครับดารินยกมือขึ้นปิดปากหาแม้จะนอนหลับมาในระยะยาวนานพอสมควร หล่อนก็ยังรู้สึกว่าอ่อนเพลียง่วงเหงาอยู่เช่นเดิมอยากจะหลับต่อนี่มองไม่เห็นความจำเป็นอะไรเลยนะที่คุณจะเรียนภูมิศาสตร์ของแถบนี้ในเวลากลางคืนเน่หล่อนว่าครับก็ไม่มีความจำเป็นอะไรหรอกแล้วผมก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยทพี่แต่ออกไปตรวจสอบเพื่อหาทางหนีที่ไล่ของพวกเราตามปกติอย่างที่เคยปฏิบัติเท่านั้นะครับความจริงนะผมควรจะทาก่อนหน้านี้ แต่มันเพลียหลับไปซะก่อนประกอบกับความจำเป็นที่ฝนมาตกหนักทำให้เคลื่อนไหวยังไงไม่ได้อีกด้วยแต่การออกไปเรียนภูมิศาสตร์ของผมอย่างที่คุณหญิงว่าในเวลากลางคืนก็ดูเหมือนจะได้ผลอะไรบางอย่างที่ผมเองหรือพวกเราทุกคนก็ไม่คาดคิดมาก่อนครับผลที่รู้ว่าเวลาฝนตกน้ำไหลมารวมกันในอุกาบาดนี่อย่างนั้นเหรอน้องสาวคนสวยของนายจ้างถามอย่างประชด ระพินไทวันยิ้มนิดๆอยู่ในสีหน้าอันแข็งกระด้างของเขาและแบมือที่ซ่อนหลังไว้ส่งไปให้คณะนายจ้างทุกคนดูต่อหน้าหินลักษณะสี่เหลี่ยมครุกระสีเทาๆก้อนหนึ่งขนาดเท่ากำปั้นวางอยู่บนฝ่ามือข้างหนึ่งปรากฏกระสายตาทุกคนโดยแสงจากโคมแบตเตอรี่ซึ่งเชิดถาปิดไวขณะที่รู้สึกตัวขึ้นมาอะไร สะเก็ดดาวตกเหรอจะเอาไ้ทำพระหรือว่าจะทำเครื่องรางของฝังของขังอะไรของคุณละมั้ดารินถามมาอีกยังไม่สนใจปดพิจารณาดูให้ดีสิครับว่ามันเป็นอะไรพรานใหญ่พูดเรียบๆจากท่าทีอันสงบสำรวมของเขาเชื่อทาเอกใจและก่อนที่น้องสาวจะทันหยิบไปจากมือของรพินก็ก็คว้าขึ้นไปพิจารณาดู โดยยกขึ้นส่องดูกระแสงไฟฉายท่านหัวหน้าคณะพลิกดูอย่างทีท่วนครู่ใหญ่หัวคิวเริ่มขมวดเข้าหากันไม่พอใจแสงตะเกียงแบตเตอรี่ที่ให้แสองอย่างจำกัดก็ไฟฉายประจำตัวส่องดูด้วยแล้วอดีต ท, ท่านทูตทหารบกก็ลืมตาโพลง่งเงยหน้าจ้องพรานใหญ่ตะลึงพึงเพลิดรพินชี้าร้องออกมาเสียงหนักหนักแทบจะระงับความตื่นเต้นไว้ไม่อยู่ คุณไปได้ก้อนหินก้อนนี้มาจากไหนเนี่ยในทางไหลของทานน้ำฝนตรงขอบปากหลุมนี่เองครับมันกลิ้งพับมากระสายน้ำบังเอิญสะท้อนกระแสงไฟฉายของผมก็พอดีครั้งแรกผมก็นึกว่าตาฝากครับแต่พอไปเก็บมันขึ้นมาพิจารณาผลก็ปรากฏอย่างที่คุณชายเห็นนั่นแหละครับอาการของเชิฐาและคำตอบของพรานใหญ่ทาให้ดารินชัยยันและมาเรีย บังเกิดความชงนขีดสุดร้องถามตื่นตื่นมาเป็นเสียงเดียวกันว่าอะไรนั่นท่านหัวหน้าคณะกรรมไว้ในมือแน่เมมริงฝีปากจ้องหน้าจอมพรานอยู่นานดารินกชัยยันคงถามมาเร็วปรื้อเช่นนั้นจะขอไปดูบ้างแต่เชษฐากลับส่งผ่านไปให้มาเรียซึ่งเป็นผู้ชำนาญทางธรณีวิทยาเหนือกว่าทุกคนบอกว่าไหนเมดูให้ดีสิ บางทีรพินกับผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้แม่สาวเมียการงงงจากคำพูดของเขาหลอนรับหินก้อนนั้นไปตรวจดูอย่างละเอียดที่สุดแล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงหลอนพึมพำออกมาด้วยเสียงเกือบจะเป็นกระซิบว่าพระเจ้าเป็นไปได้ทีเดียวเหรอนี่มันทองคำปนอยู่ในเนื้อหินนี่นะทองคำชยันร้องลั่นต่ครุบจากมือของมาเรียไปส่องดูบ้าง และมีสีหน้าอัญญาที่ใครจะบรรยายได้ถูกไม่จำเป็นที่จะต้องตรวจหารายละเอียดกันให้เสียเวลาอีกต่อไปหินประหลาดก้อนนั้นชายันถือชูในมือเอาเหลี่ยมด้านหนึ่งรับกับแสงไฟอย่างถนัดทนีประกายสีเหลืองอารามของธาตุแทชนิดหนึ่งซึ่งฝังเป็นเส้นแถบหนาพาดผ่านอยู่ใจกลางหินก้อนนั้นสะท้อนแสงไฟสว่างวาว มันเป็นเนื้อทองคำที่แทรกฝังอยู่ในหินก้อนนั้นยืนยันให้เห็นชัดกับทุกสายตาซึ่งจ้องมาอย่างตื่นตะลึงในขณะนี้แบ่งชั้นกันอยู่และแยกคุณสมบัติของตนเองออกเป็นเอกเทศโดยไม่ปะบนเพียงแต่เนื้อทองอาศัยเกาะอยู่ในเนื้อหินเท่านั้นมีรอยกระเทาะหรือมิฉะนั้นก็หักหลุดออกมาจากส่วนที่ใหญ่กว่านี้เป็นรอยใหม่ท่ามกลางความเงียบงนัน และมองหน้ากันเองอยู่ไปมาดารินเป็นคนสุดท้ายที่รับไปดูแม้จะไม่ใช่ผู้ชำนาญในทางแร่ธาตุมาก่อนแต่จากสิ่งที่เห็นอยู่ทนโท้หล่อนก็ไม่ทะไม่มีทางจะปฏิเสธไปได้เลยว่ามันจะไม่ใช่ทองคําเนื้อบริสุทธิ์แทรกติดอยู่ในเนื้อหินซึ่งถ้าทุบย่อยเอาหินออกไปหมดก็จะมีปริมาณของทองคําที่หนักไม่ต่ำกว่าสิบบาทขึ้นไป ทุกสายตาของฝ่ายนายจ้างแปรไปจับอยู่ที่จอมพรานเป็นตาเดียวอีกครั้งแล้วมองเลยไปยังเบื้องหลังของรพินซึ่งมีเงาทายสงบอยู่ใกล้ๆโดยไม่ส่ออาการเช่นไรให้เห็นทั้งสิ่งห่างออกไปประมาณส5ห้าวากลุ่มพวกพรานพื้นเมืองอื่นๆกำลังนั่งลองง้อมวงรอบกองไฟอย่างปกติไม่ได้รัแค่ระคายหรือหันมาให้ความสนใจว่าทางฝ่ายนายจ้างขนาดนี้ กำลังพบกับเรื่องตื่นเต้นอัศจรรย์ใจอะไรอยู่ผมงงไปหมดแล้วผู้กองไปยังไงมายังไงกันนี่ไหนลองเล่าให้ละเอียดสิเชตดาแผ่วเสียงลงถามอย่างจริงจังก็อย่างที่ผมเรียนแล้วเมื่อกี้เนี่ยครับคุณชายผมกระเงียายเดินไปเดินไต่ปากทางขึ้นไปสู่ขอบบนหลุมเราสวนกระายน้ำ ที่ไหลมาจากข้างบนเพื่อลงสู่ปากหลุมใหญ่นี่และสีเหลืองอารามของหินก้อนนี้ก็สะท้อนแสงไฟฉายวูบมาขนาดที่เราส่องดูทางครั้งแรกผมไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิน้นเพราะวูบเดียวมันก็หมดแสงหายไปอันเนื่องมาจากหินก้อนนี้ไม่ได้อยู่กับที่แต่มันกลิ้งเไปะปะลงมาตามกระแสน้ำแต่แล้วพอมันพลิกเอาด้านที่ทองคำติดอยู่ขึ้นมาแสงก็วาบอารามล้อแสงไฟมาอีก แง่ทายส ก, กิดให้ผมดูในสิ่งที่ผิดปกติชนิดนี้ผมก็ยังไม่สนใจอยู่นั่นเองจนกระทั่งแง่ทรายก้าวเข้าไปเก็บและนํามาส่งให้ผมเมื่อเอาไฟฉายส่องดูก็เห็นชัดว่ามันเป็นทองที่ฝังปนอยู่ในเนื้อหินไหลกลิ้งจากที่สูงลงมาตามร่องน้ําทุกคนเบิกตาเปิดหูพึงฟังคําพูดของเขาอยู่แทบจะไม่หายใจกระพินไทยวันเล่าให้ฟังด้วยน้ําเสียงเนิบเนื่ย ปราศจากความยินดียินร้ายของเขาอยู่ตามเดิมช่างเข้าคู่กันได้อย่างสนิทกับจอมพนเนจรงแง่ทรายคู่ปรับและคู่หูซึ่งนั่งเฉยเป็นตอไม้อยู่ในขณะนี้ภายหลังจากตรวจดูอย่างละเอียดผมเห็นรอยหินก้อนนั้นเพิ่งจะแตกแยกออกมาใหม่ๆถ้าสังเกตดูให้ดีจะเห็นรอยดำไหมจึงสันนิษฐานว่ามันจะต้องตกเป็นสะเก็ดออกมาจากหินก้อนใหญ่ที่ใดที่หนึ่ง เหนือเส้นทางน้ําไหลขึ้นไปอันเนื่องมาจากฟ้าผ่าเมื่อตอนฝนตกหนักนั่นเองเราก็เลยสาวต้นน้ําขึ้นไปห่างเพียงไม่เกินสี่สิบเมตรเท่านั้นนับจากตําแหน่งที่เราพบหินก้อนนั้นกลิ้งตามน้ําลงมาครับเราพบรอยฟ้าผ่าจริงๆครับมันผ่าลงมาบนแง่หินริมปากคุย้ยอันสูงชันของปากหลุมอุกาบาดนี้หินที่ถูกฟ้าผ่าแตกแยกถล่มทลายลงมากระจัดกระจายอยู่กับพื้น ปิดทางน้ำไหลของปากล้วยนั้นทำให้น้ำต้องเปลี่ยนเส้นทางทะลักไปอีกด้านนึงก้อนที่ผมเก็บได้ในครั้งแรกนี่เป็นสะเก็ดชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดด้านหนึ่งทางเชษาฐามมาเร็วปรือ้อเป็นรถไฟด่วนตาลุกโพล่ระพินมองสบตาฝ่ายนายจ้างเขาทีละคนแล้วตอบแผ่วต่ำว่าครับคุณชายทองคำทั้งนั้นทองคาที่ฝังแทบบนอยู่กับก้อนหิน ใหญ่โตมโหฬารกว่าก้อนที่ผมเก็บมาให้ดูเป็นตัวอย่างนี่หลายร้อยหลายพันเท่าครับไม่เฉพาะที่ฟ้าผ่าลงมากองแผลห็นเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่ของมันยังฝังเป็นแถบเส้นอยู่ในหินมาคือมาทั้งก้อนมองเห็นชัดไปตัดฉืนอย่างนั้นเละเพียงแต่ได้ยินคําบอกเล่าเท่านั้นฝ่ายนายจ้างทุกคนก็แทบจะเป็นลมไปด้วยความช็อกชายันอ้าปากค้างตัวแข็งดารินกัดริมฝีปากจนแทบจะห่อเลือด เพื่อพิสูจตัวเองว่าหล่อนไม่ได้ฝันไปในขณะที่ได้ยินถ้อยคำเช่นนี้มาเรียนนั้นขยับริมฝีปากหมุบหมิบเหมือนจะพูดอะไรแต่ไม่มีเสียงคงมีก็แต่เชิถาวราฤทธิ์คนเดียวเท่านั้นที่สงบเยือกเย็นคุมสติสัมปชัญญะได้ดีที่สุดท่านหัวหน้าคณะเฝ้าจับสีหน้าอาการของพรานใหญ่และแง่ส า, ายอยู่เป็นเวลานา น, านอย่างพินิษครครวญและยิ้มขึงึงออกมา แต่ก็จำเป็นจะต้องพูดไอ้ที่คุณเล่ามานี่นะมันเป็นความจริงเหรอถ้าทุกท่านผมจะพาไปเดี๋ยวนี้แนะครับมันไม่ไกลนักหรอกพานใหญ่ตอบด้วยน้ำเสียงเบาปกติถ้างั้นไปเราจะไปดูเห็นกระตาเดี๋ยวนี้แหละท่านหัวหน้าคณะบอกมาในทันทีนั้นคว้าปืนกับไฟฉายชายันดารินและมาเรียก็ลุกตามเร็ว รพินหันมาพยักหน้ากางแง่ทายเป็นสัญญาณและรองสั่งให้กลุ่มพลานพื้นเมืองสงบพักตามเดิงซึ่งคนเหล่านั้นก็ปฏิบัติตามคําสั่งโดยดีไม่ได้แสดงอาการสงสัยอย่างใดทั้งสิน้นจากนั้นเขาก็นําคณะนายจ้างทั้งหมดเดินออกจากโพรงที่ทักวกไตอ้อมทางขึ้นมาทางด้านปากหลุมอุกาบาด ท, ที่มีทางน้ําฝนไหลเป็นแควเล็กแควน้อยอยู่ทั่วไปรพินเดินนําไปเบื้องหน้า เงาทรายปิดอยู่หลังขบวนเส้นทางเปียกน้ำชุ่มและลื่นเสี่ยงต่อการที่จะถลยร่วงไปสู่ส่วนที่เทล่าชันเบื้องล่างยิ่งนักทุกคนต้องใช้ความระมัดระวังกันอย่างเต็มที่ไม่มีใครพูดอะไรกันอีกเลยแม้แต่คำเดียวในเส้นทางไปขึ้นขอบปากหลุมอุกาบาดสวนกับร่องน้ำฝนที่ไหลอยู่รินรินั้นแล้วเพียงไม่นานนักสี่คนของฝ่ายนายจ้าง ก็มายืนอยู่ยังตำแหน่งที่พรานใหญ่เล่าให้ฟังเมื่อครู่นี้ด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจบรรยายได้ยามเมื่อไฟฉายทั้งสี่ดวงส่องกราดไปกระทบครับระหว่างนี้ทั้งหมดมายืนอยู่บนก้อนหินที่ถูกฟ้าผ่าทลายลงมาจากผนังถาใหญ่ปากลำห้วยรัศมีเหลืองอารามสะท้อนลำไฟฉายสว่างพราวรอบตัวมันเปล่งประกายออกมาจากหินใหญ่น้อยรอบด้าน ที่ลนเกลือนกลาดอยู่เหล่านั้นรวมทั้งที่ฝังอยู่ในแผ่นผารอยแยกอันเกิดจากสายอัศวินบาทด้วยท้องคำเชิฐาชายันดารินและมาเรียยกมือขึ้นขยี้ตาแล้วต่างก็ยืนนิ่งเหมือนถูกสาบให้เป็นหินไปชั่วขณะเมื่อต่างคลายความตื่นเต้นตะลึงงนันสำรวจดูรอบตัวจนแน่ใจที่สุดแล้วว่าเท่าที่เผชิญกับตนเองอยู่ในขณะนี้ ไม่ได้เกิดจากความฝันวิปริตไปเชิถาก็เอ่ยขึ้นอย่างสำรวมอารมณ์ว่านี่คือมหาสมบัติอันยิ่งใหญ่ของโลกอาจยิ่งใหญ่มีมูลค่าซะยิ่งกว่าขุมเพชรพระอุมาที่เราใฝ่ฝันกันไว้ซะอีกอานาบริเวณของหลุมกาบาทั้งหมดนี่คือเหมือนทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกทองจะต้องมีแทรกปะบนอยู่ในก้อนหินทุกก้อนทั้งบนดินและในหลุมลึกลงไป และมีบริเวณพอที่จะเอาทองคาทั้งหมดของแถบนี้มาสร้างเป็นเมืองได้ทั้งเมืองแล้วท่านหัวหน้าคณะก็หันมาเผชิญหน้ากับระพินทร์ไทรวันผู้ยืนนิ่งอยู่ระพินผมไม่แปลกใจหรือตื่นเต้นอะไรนักเลยในการที่คุณนำผมและพวกเราทุกคนเข้ากับก้อนหินที่มีสภาพเป็นทองไปหมดทุกก้อนเช่นนี้แต่ผมแปลกใจที่สุดในอีกสิ่งหนึ่งตาหักคุณจะตอบผมได้ไหม อะไรครับคุณชายคุณทำงานหนักกลากกล้ำมาโดยตลอดจากอดีตมาจนกระทั่งปัจจุบันที่เรายืนอยู่ด้วยกันเดี๋ยวนี้คุณทำเพื่ออะไรเงินครับถูกต้องคุณตอบไปตรงดีมากคนทุกคนทำงานก็เพื่อเงินเพื่อความสุขสบายของตนเองและผู้ที่อยู่ในความรับผิด ช, ชอบเงินและความร่ารวยเท่านั้นที่มันจะเป็นแก้วสารพัดนึกบันดาลทุกสิ่งุ ความอดีตนายพันโทรทูตทหารบกเชื่อพระวงศ์กล่าวเน้นชัดเจนแช่มช้าสายตาไม่ได้ห่างไปจากใบหน้าของพรานำทางที่นี่คุณกัแงสายเพียงสองคนเท่านั้นที่มาพบแหล่งขุมทรัพย์มหาศาลของโลกนี่ครับพวกเราคนอื่นๆไม่มีโอกาสจะรู้เห็นด้วยเลยแล้วมันเรื่องอะไรกันที่คุณเอาสิ่งที่ค้นพบนี้มาบอกให้พวกเราให้พวกผมสี่คนนี่รู้ผ้าไมา้เห็นชด้วย คุณบ้าไปใช่แล้วเหรอระผินจอมพรานยืนอึ้งกับพริบตาปริบปริบความเงียบปกคลุมไปชั่วขณะผมในที่สุดเขาก็หลุดปากออกมาในลักษณะอึกอัดพูดไม่ถูกสีหน้างงงันต่อคำถามแบบอยู่โจมคาดไม่ถึงของท่านหัวหน้าคณะผมคุณจะเก็บไว้เป็นความลับไม่บอกให้ในายจ้างของผมทราบยางงั้นเหรอครับ ก็ใช่สิมันไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นหรอกล ะ, ระพรพินทำไมนั้นทำไมเขาพึพมพำออกมาเหมือนจะถามตนเองก็เพื่อว่าสักวันหนึ่งเมื่อหมดภาระหน้าที่ซึ่งคุณจะต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้างนี้แล้วคุณจะได้ย้อนกลับมาที่นี่อีกครั้งตามลำพงังไม่มีใครรู้เห็นไม่มีใครขอเป็นหุ้นส่วนแล้วคุณก็จะเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ารวยที่สุดในโลกยังไงละ่ะ รพิดดารินบอกมาด้วยเสียงสั่นเครือทุกคนเห็นหน้าผากเขามีริ้วรอยยน่นยกมือขึ้นลูปปลายคางแล้วย้อนถามมาว่าขออภยัยเถอะครับทุกท่านที่เป็นเจ้านายของผมการที่ผมเดินทางมาในครั้งนี้เนะี่ยผมมาในฐานะพรานนําทางตามสัญญาวาจาทุกบาทีเนี่ยรพิการเดินทางเป็นของท่านทั้งหมด ไม่ว่าจะประสบผลลุล่วงในด้านใดและไม่ว่าจะประสบกับความหายนะประเภทไหนผมมีหน้าที่แต่เพียงนำทางโดยซื่อสัตย์สุจริตเท่านั้นเมื่อผมมาพบเข้ากับอะไรก็ตามผมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรายงานให้ทราบตามจริงโดยไม่ปกปิดเงียบงันไว้มันเป็นหน้าที่ของผมเป็นศัจธรรมของพรานที่ได้รับการอบรมเสียมสอนและถือเป็นหลักปฏิบัติมาแต่ไหนแต่ไร เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่อาชีพของผมเองเพราะฉะนั้นทุกท่านไม่น่าจะแปลกใจหรอกครับที่ผมมาพบากับกแหล่งขุมทองนี่เข้าเหตุใดจึงต้องเอาความจริงไปบอกถ้าผมเดินทางมานี่ตามลำพังส่วนตัวของผมเองผมก็คงไม่บอกใครเหมือนกันแต่นี่เบียงผมเบียงผมก็กินของท่านเครื่องใช้ไม้สอยทุกชนิดผมก็ใช้ของท่านไม่หนำซ้ำ ยังขอรับเอาเงินค่าจ้างจากท่านตามที่ผมเรียกร้องและพอใจแล้วด้วยตูของผมเองเดี๋ยวนี้ก็เป็นสมบัติของท่านจนกว่าจะหมดพันธะตามสัญญาผมค้นพบอะไรท่านผู้ึ่งเป็นเจ้านายของรายการนี้ทั้งหมดก็ควรจะพบด้วยไม่ใช่เลยครับจิงอยู่ผมเป็นคนยากไร้แทบจะเรียกได้ว่าหามื้อกินมือ้อชีวิตก็ไม่พบกับความสุขสบายนอกจากจะต้องทางานหนักมาตลอด แต่ผมก็ไม่เคยทุจริคตคดโกงหรือเบียดบังครังหรือเบียดบังใครครับเชิถาวราริศสูดลมหายใจลึกรู้สึกตนเองในยามนี้ว่าเขาเป็นคนมีลาบอันประเสริฐไม่ใช่ลาบจากที่มองเห็นทุกก้อนใต้ฝ่าเท้าเหยียบยืนอยู่ในขณะ น, นี้เป็นทองอันล้ําค่าเลยแต่ลาบจากการที่มีคนดีที่สุดไว้ในเส้นทางที่จะต้องบากบันกันไปด้วยชีวิต ระพินไพรวันมีค่าสำหรับเขาซะยิ่งกว่าขุมทรัพย์ใดๆในโลกทั้งสิ้นขณะนั้นเองดารินชัยยันและมาเรียทำท่าจะซุดตัวลงไปเก็บก้อนหินที่มีทองปะบนอยู่เหล่านั้นขึ้นมาด้วยมืออันสั่นเทาแต่เชิดารัางแขนคนทั้งสามไว้ซะก่อนพูดด้วยเสียงอันแจ่มใสที่สุดว่าอย่าเลยพวกเราอย่าไปแตะต้องมันเลยมันอาจจะมีค่ามาหาศาล ทำให้พวกเราทั้งหมดเป็นมหาเศรษฐีกันได้ทุกคนแต่มันก็หาได้มีค่ามากไปกว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราในขณะนี้ไปได้หรอกทองทั้งหมดเหมืองหรือมุกาบาทนี่เราจะไม่ยอมแลกกับคนคนนี้เป็นอันขาดเขาซื่อจนงโง่ทั้งน่ารักและน่าสงสารที่สุดเชษฐาเปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่แง่ทรายพรางถามยิ้มยิมว่า แกล่ะนายแกงแงซายแกก็พบทองมีค่าเหล่านี้พร้อมๆกับผู้กองทาไมแกไม่หนีรังเข้าไว้บ้างไม่ทําอะไรงงๆอย่างที่เขาทาไปแล้วอสองคนนั้นเป็นเจ้าของทองคําทั้งหมดที่นี่มันดีกว่าจะแบ่งเฉลี่ยเป็นสมบัติของถึงสิบสองคนไม่ใช่เลยไอ้คนลึกลับกลับยิงฟันขาวนายใหญ่ครับทองน่ะอาจมีค่าสําหรับเจ้านายทุกคนรวมทั้งผู้กองรับพินด้วย แต่มันไม่มีค่าสําหรับแง่ทรายหรอกครับแต่ถึงเช่นนั้นแง่ทรายก็คิดอย่างเดียวกับนายใหญ่เหมือนกันที่ว่าผู้กองระพินซื่อจนโง่ที่เขานาความนี้ไปบอกแกเจ้านายทุกคนแต่คนโง่ประเภทนี้ไม่ใช่คุณสมบัติประเสริฐของบุคคลที่เราควรจะคาระวะและให้เกียรติหรอกนะครับถ้าหากจะถือคุณสมบัติเช่นนี้ของผู้กองระพิน์ไพร์วันเป็นความโง่แล้วก็ผู้กองโง่เช่นนี้มานานแล้วล่ะครับ และจะโง่ไปจนตลอดชีวิตของเขาทีเดียวเป็นความโง่ที่สวรรค์รักและนรกกลัวแง่ทรายบอกเขาก่อนแล้วว่าเขาไม่ควรจะแพร่งพลายออกไปรู้แล้วเก็บไว้กับตัวเองดีกว่าแต่เขาด่าแ ง, ง่ท า, ายครับกล่าวจบแง่ า, ายก็หัวเราะเสียงกังวานอีกแล้วเราจะทํำยังไงกันดีละเนี่ยชายันถามขึ้นเลยลอ ย, ลอยมองดูสิบบีค่าเหล่านั้นอย่างงงงนันทำหรือคิดอะไรไม่ถูก ก็ไหนใครลองบอกสิว่าเราควรจะทำยังไงเชษฐากล่าวแบบนี้เขาไม่มีความตื่นเต้นหรือปล่าปลื่มปราโมดใดๆเหลืออยู่ทั้งสิ้นถามอย่างเสียงประยังทุกคนต่างเงียบกริบอะน้อยละ่ะคิดไงน้องสาวยักษ์ไหลลลนมีความรู้สึกในยามนี้เช่นเดียวกับพี่ชายสิ่งที่มีค่าหน้าปรารถนาที่สุดสาหรับคณะและสาหรับหัวใจตนเอง ก็คือชายนางซื่องโง่จนเหมือนงั่งที่ชื่อระพินไพรวันคนนี้ต่างหากมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรสำหรับเราในขณะนี้มากไปกว่าก้อนหินนะคะพี่ใหญ่อ่ะและเมร์คุณว่าไงมาเรียหัวรอบแต่งในลำคอที่ถูกต้องดีงามในยุติธรรมที่สุดก็คือไพรวันผู้ค้นพบเอาไปสองส่วนสำหรับตัวเขาและพวกพราพื้นเมืองทุกคน สุดแต่ว่าจะแบ่งสรรกันเช่นไรพี่ใหญ่น้อยช้ยันเอาไปคนละส่วนส่วนฉันกระสังปลาไม่จำเป็นที่จะต้องได้อะไรในโชคลาภทั้งสิ้นและสาบานให้ก็ได้ถ้าแม่มีใครจะให้ฉันสักกอ้อนหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมากหรอกเอาแค่กอ้อนเล็กๆที่ไพรวันเก็บไปให้ดูแต่แรกฉันก็ไม่ขอรับไว้เป็นภาระแบกราบใดที่ราบใดก็ตามที่ยังมองไม่เห็นอนาคตข้างหน้า ว่าจะได้มีชีวิตรอดกลับไปหรือไม่อ่ะเรนนายล่ะชชยันเชษฐาหันไปถามสหายคู่ใจอดีตนายทหารปืนใหญ่ถอนใจยาวพูดไม่ออกบอกไม่ถูกกว่าอยากจะคิดกับพระเจ้าล้อพวกเราเล่นซะมากกว่าพวกกองไหนลองบอกความคิดของคุณสิเราพบเหมืองทองมาหาศาลนี่เข้าแล้วอย่างบังเอิญที่สุดแล้วคุณคิดยังไง ยอมพรานเอาไฟฉายส่องดูรอบๆตัวที่มีแสงอารามเรืองล่อความละโมบไปทั่วเขาได้มาพบก่อนและปรงตกก่อนแล้วก็สุดแล้วแต่คุณชายและทุกท่านนะครับผมพามาให้พบเห็นในสิ่งที่ผมพบนี่เท่านั้นลืมใชแล้วเหรอในสัญญา จ, จ้างของคุณที่ทำไว้กับผมระบุชัดด้วยว่าบรรดาโชคลาภอันใดก็ตามที่เราค้นพบระหว่างทาง เราจะต้องแบ่งกันครับผมจำได้ครับผมเองก็ยอมรับสารภา พ, พื่อมีความอยากได้อยากรวยอยากมีชีวิตสุขสบายเหมือนชาวโลกเขาทั่ ว, วไปเหมือนกันที่ขอระบุไปในสัญญา จ, จ้างเช่นนั้นก็เพราะกิเลสนลั่นแหละครับเป็นเครื่องชักนำรวมทั้งความจำเป็นในการครองชีวิตแบบปุถุชนชาวโลกด้วยแต่ในขณะนั้นผมยังไม่รู้เลยว่าการเดินทางของเรามันจะยากแค้นแสนข็นทุรกันดารสักขนาดไหน แต่เดี๋ยวนี้เราทุกคนก็ตรหนักอยู่แก่ใจดีแล้วว่าอนาคตเป็นสิ่งที่เราไม่อาจหวังได้เลยจะรอดกลับไปหรือไม่บอกไม่ได้ตัวเราเองก็ยังแทบจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วสิ่งมีค่าที่สุดในขณะนี้ก็คือชีวิตและจุดหมายสำคัญที่เราบากบั่นเดินทางกันมาสาหรับผมเองเดี๋ยวนี้ไม่ได้หวังอะไรกับมันอีกทั้งสิน้นถึงพรานลูกน้องของผมก็เหมือนกันครับถ้ามาเห็นสิ่งเหล่านี้เข้าเดี๋ยวนี้ ผมก็รับรองได้ว่าพวกนั้นจะไม่ตื่นเต้นยินดีอะไรทั้งนั้นอาหารสักมือ้อดือน้ำสักอึกก็ยังมีค่ามากกว่าอะถ้าเช่นนั้นก็หมายความว่าเราทุกคนมีใจเดียวกันตรงกันหมดท่านหัวหน้าคณะประกาศขึ้นสำหรับผมเองแน่ใจเดี๋ยวนี้แล้วว่าสิ่งที่เราเห็นนี่บันดาลขึ้นโดยเจตนาจะลองใจของสวรรค์มากกว่า ว่าเราจะผ่านพ้นจากขายอย่างความละโมบไปได้หรือไม่ก็เห็นอยู่ชัดๆถ้าเราหลงบ้ากัอยู่กับมันเราก็คงไม่เดินทางต่อไปตามความมุ่งหมายก็คงจะกอดก้อนหินเหล่านี้ตายกันอยู่ตรงนี้หรือไม่ฉะนั้นก็คงหักหลังฆ่ากันเองตายหมดต่อให้เราอยากได้สักแค่ไหนก็ไม่มีปัญญาจะขนไปได้ผมยังจําคําพูดครั้งสุดท้ายของมหาฤาษีโกนธัญญาได้ที่ท่านกล่าวเตือนเราไว้ว่า หากต้องการจะสำาร็จที่ผลในการเดินทางพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงให้ตัดความละโมบออกไปให้หมดนี่ก็ปรากฏผลออกมาให้เราต้องเลือกแล้วว่าเราจะบ้าคลั่งอยู่กับขุมทองเหล่านี้และพินาศกันทั้งหมดหรือว่าจะเดินทางต่อไปโดยผ่านมันไปซะโดยถือเสมอก้อนกรวดก้อนดินเก็บไว้แต่ความทรงจาว่าอย่างน้อยที่สุดในชีวิตของเราก็เคยได้เห็นก้อนหินทุกก้อน เป็นทองเหลืองอารามมาแล้วแต่มันเป็นสมบัติของโลกหาใช่สมบัติของเราไหมและเชิฐาหันกลับไปบอกพรานนำทางของเขาพู้ดสีหน้ายิ้มละไมว่าคุณเชื่อไหมระพินผมยังไม่ได้บอกให้พวกเราคนใดรู้ขณะที่คุณหายไปและผมกรบแง่ทายออกติดตาเมื่อคืนวานนี้เนะ่ะผมได้ตั้งสัตตัญญาณบอกกับเจ้าป่าเจ้าเขา ตลอดจนดูศีกลทัญญะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งขอให้ผมเจ้าปะคุณได้พบในสภาพที่ปลอดภัยเพื่อจะได้ร่วมทางกันติดตามน้องชายที่หายไปจนพบอีกคนหนึ่งนั่นเป็นยอดแห่งความปรารถนาสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดของผมทั้งสิน้นและแม้ว่าระยะระหว่างทางผมจะได้พบกระทรัพย์สมบัติหรือโชคลาภอันใดไม่ว่าจะยิ่งใหญ่สักแค่ไหนผมก็จะเมินเฉยไม่แต่ต้องเป็นอันขาด และมันก็ปรากฏผลสมจริงอย่างที่ผมบ่นบานไว้ผมพบคุณในสภาพที่ปลอดภยัยทุกอย่างมาร่วมเดินทางด้วยกันอีกแต่แล้วก็มาพบขุมทองราวกับพญามารหรือผีหาร้ายมาวางลอกกิเลสเอาไว้เพื่อจะหลอกให้พินาศธุระอะไรที่ผมจะต้องไปสนใจใยดีกับมันผมต้องการน้องชายกลับคืนมาเท่านั้นไม่ได้ต้องการมาหาสมบัติใดๆของใครทั้งสิน้นในการเดินทางเสี่ยงอันตรายครั้งนี้ แต่ก็ขอใจสวรรค์แล้วที่บัรดาสิ่งนี้ขึ้นเพื่อผมจะได้รู้แน่ชัดว่าคนอย่างรบพินไพรวันซื่อสัตย์สุดจริตแค่ไหนเสียงของสุภาพบุรุษในราชสกุลสั่นเครือสะเทือนลึกกอดไหลมักคุเทศนำทางเข้าไว้แน่นกระชับที่สุดเราลืมในสิ่งที่เราค้นพบนี่แล้วกลับกันเะนะ